ที่มันมันเร็วมากที่มันจะซึมเข้าสู่จิตแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกตัวมันก็แค่มันก็มันก็หายไปคือมันมันกระทบแล้วมันก็หายไปมันไม่มันคือมันซึมเข้ามาแล้วแต่ว่าเราเห็นเรารู้สึกตัวตลอดมันเห็นกระบวนการตรงนั้นที่มันเร็วมากเท่าที่จาได้มันเร็วมากเลย ก็เอามาก็ยังามตรวจสอบอยตรงนี้ทั้งวันนี่มีอะไรซึมเข้าไปในใจมั้ยอย่งนึกไม่ออกวันมีอะไรซึมเข้าไปบ้างแต่ได้นร่างกาคือตัวสติที่เราฝึกนี่นะถ้าเราไปทันกับเวทนาจะช่วยได้เยอะแต่แต่เริ่มทันแล้ใช่ไหมมีเรื่องอะไรเข้าไปในใจบางวันนี้จําได้ก็เมื่อตอนอก็ถ้าชัดเมื่อตอนเย็น ผมลองไปเดินที่หินหินตำแหลมกันเลยนะยนก็เหยียบลงไปก็อวับแรกมันก็เจ็บปื๊ดขึ้นมาเลยแล้วมันก็เข้ามาสุดจิตเลยนี้ผมก็เลยเออก็เลยลองเดินต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่มีสติรู้ตัว อ, อ่าพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่เวทนามัน มันไม่สามารถมาทําให้จิตใจเรากระเพื่อมได้คือรับมีมีหลายๆเรื่องเลยหรือเฉพาะเรื่องหรือทุกเรื่องมันนี้โอะมันมีเยอะฮะขึ้นมาเยอะแยะเลยมันเป็นความคิดนะะทันได้ทุกเรื่องอ่าอาจจะหลุดไปบ้างนิดหน่อยฮะปรุงแต่งนิดเดียวแต่ไม่เยอะทันมันเยอะขึ้นกับความคิดด้วยแต่ยาวนี่หรือว่ามันมีไม่มีไม่ยาวเดี๋ยวนี้มันจะสร้างลงสร้างลงแล ที่ในกรณีเดียวกันนี้ถ้าสมมติเราไปาสถานการ์ที่ไม่ใช่การปฏิบัตินี่นะจะไปพบปะพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเช่นว่เราไปข้างนอกนะแล้องมีการพูดคุยกับเพื่อนกับผมกับคนนี้นี้อย่างนี้ในส่วนนี้เวทนาเปไ็นย่งซึมเข้าไปไเป็นสังขารอีอย่า ง, าง ค, คือถ้าเราถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้สึกตัวอยู่ มันก็แวบหนึ่งมันก็อาจจะซึมเไปแต่ว่าพอถึงเข้ามันด้วยความที่เราปฏิบัติมามันไวกับความรู้สึกมากขึ้นนะมันไวกับความคิดสิ่งที่มากระทบเราก็จะทํนมันมากขึ้น<ม>แต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยคับกับเพื่อนฝูงกับอะไรก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปจัดการได้ เราก็ไม่ค่อยจะรับอะไรเข้ามาอย่างนี้ใครจะมีเรื่องอะไรต่างๆโทรหาเราหรือว่าจะปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาเ้านะแต่เราไม่ทุกกับเขาครับไม้นายทำครับถ้าน้ํายูในขวดนี้มันซึมออกมาข้างนอกแก้วหนึ่งนะกับเราเทออกมากับแก้วนึ่งั้งกับตรงนี้น้ำที่มันซึมออกมาแก้วหนึ่งตรนี้กับน้ำแก้วหนต่างกันดิ น้ำที่มันซึมออกมาหรือวโขดที่มันรั่วนะก็รั่วเนี่ยประมาณแก้วตรงนี้เหมือนกันในขนาดเดียวกันข้อเทน้ำออกมาแก้วหนึ่งอยในแก้วนี้คำว่าน้ําที่มันซึมเรี่ยไรแบบนี้กับน้ำที่มตั้งอยู่ในต่างกันยังอ่าจริงๆมันก็ไม่ต่างกันะันรที่มันออกมาอยู่มันสถานะที่มันออกมาอยู่นะตรงนั้นมัน อาการมันออกมาต่างกันยังไงเดี๋ยไม่ได้ความประต่างทำรัศมความต่างของน้ำแต่ถามอาการของน้ำที่ออกมาจากขวดมันออกมาต่างมันช้ากว่ากันถ้าซึมมันก็ค่อยๆใช้เวลาซึมมายังไม่ชัดดอกไม้เที่ยวปลอมเลยนะอาการของน้ําที่ออกมาจากขวดเนี่ยครับ แก้วับเรือ่องราวดัีอาการออกมามันต่างกันดีงไงอ๋อโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าอาการที่มันซึมออกมาเนี่ยมันมันคือมันมันล้นออกมาใช่ไหมคือมันไม่เขาเรียกอะไรมันค่อยๆไหลออกมาจากจากหัวเอาไว้ก่อยบอยเล็กเข้าใจคําถามนี้ไหม หรือว่ามาถามผิดเดียขึ้นว่าถ้าถ้าอาจารย์ถามมันต่างไงก็คือถ้าเล่นออกมามันก็ตั้งใจถ้าเสริมออกมามันมันไม่ได้ตั้งใจออกมาเอามาต้องการคําตอบวันนี้ <c oughs> อันหนึ่งมันเจตนาที่จะออกมาอันหนึ่งมันออกมาโดยที่ไม่เจตนาหนึ่งแก้วเหมือนกันแต่แก้วที่มาเรียร่าตรงนี้เป็นน้ําที่กลายเป็นอะไร เป็ส่วนเกิเนกลายเป็นสิ่งสุขขงบลเลอะเทอะเป็นภาระเดียวแต่น้ําแก้วนี้กลายเป็นสิ่งที่สายสายจาเป็นต้องดื่มใช่ไหมต่างกันน้ําที่ออกมาด้วยความเจตนาคือมันมีที่มาที่ไปแน่นอนแต่น้ําที่มันออกมาเลอะเลาดตรงนี้มันออกมาโดยอุบิเหตุจะดื่มพดมันพุ่มหรือ ม, มันใจซึมมันจะแตกแล้วกันแต่เราไม่เจตนาให้มันออกมาเพราะนั้นเว็ เวทนาเนี่ม hmm. like, kind of ีสองตัวเวทนาที s <S ่ทาให้ซุมคือเวทนาที่เราไม่ตั้งใจที่ให้มันเกิดแต่เวทนาบางอย่างเราตั้งใจจะให้มันเกิดที่จะให้มันมาเป็นน้ำแก้วนี้เวทนาตัวนั้นมันกลายเป็นวิชาหรือเป็นปัญญาเพราะมันมีจําเป็นต้องใช้แต่เวทนาที่มันเรียล่าอย่นี้วิชาเวทนาที่เรียล่าหรือวิชาที่กลายเป็นอวิชาวิชาหรือโมหะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็น เป็นวิชาที่มันเป็นเป็นเวทนาที่กลายเป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะใช้ประโยชน์กันมาได้แต่อนัตตากับปัญญาให้เป็นคู่นี้เนี่ยไม่ใช่คําว่าอัตตากับอนัตตาแต่มันไม่เป็นถ้าเป็นอนัตตาหมายก่ามันใช้ไม่ได้ถ้ามันเป็นปัญญาสมัยก่อนมันใช้ได้เวทนานั้นไม่ตั้งใจให้มันเกิดความเป็นอนัตตาแต่เวทนานี้ตั้งใจให้มันเกิดเป็น ปัญญาเพราะฉะนั้นอนัตตาถ้าเป็นคําว่าตรงตังก็ไม่น่าจะไม่น่าจะใช้คําว่าอาตาน่าจะคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นคําว่าซึมที่เขาพูดถึงให้เข้าใจความหมายในลักษณะนี้นะบางครัง้งมันจำเป็นต้องใช้เวทนาเช่นเวลาเขาพูดให้เราชอบเขาพูดให้เราชังเขาพูดให้เราคิดเราก็ต้องใช้เวทนาได้ว เพราะฉะนั้ก็ตรงนี้คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวทนาในลักษณะแบบนี้โดยดูสิ่งที่กระทบแล้วออกมาเป็นลัรสนิทแล้วเกิดการแต่สินตรงนี้ก็เป็นปัญญาแต่ถ้ามันเกิดกระทบแล้วมันก็จิตใจเราตกเยี่ยเร่ารัดไปในอารมณ์ต่างด้าตรงนี้ก็คือเป็นเวทนาที่เป็นอนัตตาเข้าใจนะครับเวทนามีสองลักษณะ เวทนาที่เป็นอนัตตาและเวทนาที่เป็นปัญญาถ้าเวทณ า, าที่เป็นอนัตตามันหมายถึงทุกแต่เวทนาที่เป็นปัญญามันหมายถึงดับทุกไปในเวลาเดียวกันใช้เข้าใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมันก็มีสองอย่างทั้งที่เป็นอนัตตาและทั้งทีเป็นปัญญาขึ้นแต่ว่าเราจะตั้งรับใ น, นทันหรือไม่ทัน ถ้าตัรับไม่ทันก็กลายเป็นอนัตตาถ้าตั้งรับทันก็กลายเป็นปนียคุณตองวันนี้ท่องบายหายไปไหหาไม่เจอคอยู่ง้นอนนนะเยเดินลปว่าเสียงอเดินจะไปพ่อทีเจอแต่เดินขึ้นมานี่คนเสียงัว่ามันอะไร้ว่ามสัอะไรหลพ่อเดินอยู่สักพักรู้สืกอว่า ลักษณะคุมแพเนาะไม่ใหู้อะไรเราก็เลยเดินกลับขึ้นมามามาอบแดดเพราะว่าตอนที่ไปอบรมก็มอนหนาอบแดดปรากฏว่าได้ฝนเหมือนกันเราเข้ห้องอบชาวนานาะท่านี้ไปห้องเข้าชาวนาด้วยเข้ากับห้องอบเราก็เอาผ้ามาคลุมเลยแดดร้อนจ้าจ้านี่ยนะพร้าคลุมปพรา เหนไม่จะแตกแจ๊กแจปรากฏว่าพอนอนสมบูรเหนือนอนไปนน ม, มันหลับไปเลยต <c oughs> ื่นขึ้นมาเอาผ้าอธิ์หายไว้แล้ว <c oughs> นั่งเหงือโซ่ข้างตัวเลยร้อนนี่ก็หลับเดินได้เงินไม่ไม่สนใจเวทนาก็ปรากฏว่าพอเหนือออกแล้วก็ออกไปลงไปอาบน้ำในคลองเออหายไปเลยนะอาการต่างเดี๋ยวนี้ปกติเลยตอนนั้นมาทำํำท่าอย่ า, นาหนาวร้อนนี่หมอ เลยหันหลังให้ออกมาเอาน้ำได้คล้องก็เอออาการนทำเท่าหนาวๆหายไปเลยนะเออวิชาอบแดดนี่ใช่ได้คุณรู้ผมจะองไปชาสัมพัน์ให้การแดดหรอเปล่าคก็เอาผ้ามาพรมนี่แหละแล้วก็นอนลงไปเอาผ้ามาพรมอีกทีหนึงเหมือนเราห้องห้องเซาวนาเลยเหงื่อแตกทันทีเลยอือาการหนาวๆร้อนๆไขมันหายเลยมันเออใช่ได้ใช่ได้ พิชานฝั่เข้ามาอาบแดดเราอบแดดเ ป, เป็นยานอาบแดดอาจจะเจอมะเร็งผิวหนังได้แต่อบแต่อบแดดปรกากฏอ่ามันเป็นยานรักษาโรคนะแต้อง<ต>เอาผ้าคลุมนะต้เอาผ้าคลุมถ้าไม่คลุมมันเ<ต>นือไม่ออกซาว น, น่าถ้าเป็นซาวน่าแต่ที่เราจะไปอาศัยแสงไฟหรื อ, อเตาอบไปน้ำใช่ไหมเราอารรสัแสงไฟที่เร็วกว่านั้นเอ กะว่าสักสักานาทีนะเขาหลับไปตอนไหนไม่รู้เอาฟขึ้นมาเหงื่อสทลงตัวเอาเปิดผ้าดูเอาตะวันก็หายไปด้วยก็ใช้วิธีีชามอันนี้นอกเรื่องเลยนะวิชีวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจมัม้ยไม่มี ไ, ไม่มีเลยอ่ะใจดีนี่แสดว yeah. ่าใกล้บรลุล คือบรรลุแล้วก็มันไม่มีอะไรนะต้องมีนะไม่มากก็ น, น้อยมีกับมีนี่นึ่นคือคิดคิดเรื่องในการปรบปรุงทำนู่นทำนี่ไม่ได้คิดไปหาลูกหาหลานหาวัดหีืบ้านเลยคิดว่าตั้งใจคิ ด, ค, ดคิดว่าจะไปบ้านมันมองไปเห็นมาเก่าขึ้นมาเลยเลมันก่าขึ้นมาเอาเองมันไม่ไปดินพ่อจะได้พาไปไดเดยถ้าเมื่อไรจะคิดจะกลับบ้านพ่อจะทักท้วง <laughs> เดีนี้เป็นความคิดนะเวมืนก้นคิดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความจริงแล้วทั้งพระทั้งชีเนี่ยตามที่มาได้พาปฏิบัติมาแต่ไม่รู้นะอามะจะไม่มีวาสนาทางนี้ก็ได้ที่จะไดะ้ให้คนช่วยเรื่องเวลาเขาช่วยชักพักเขาก็หนีไปเขาช่วยสักพักก็หลีไปมาก็เลยสู้เดียวไปเรื่อยๆก็เอ๊มีใครน้อดีจะช่วยได้ตลอดรดไป ก็ยากวาสนาบารมีไม่มีที่จะได้ใช้คนคือถ้าต้นจริงก็ฝึกปฏิบัติแล้วอยากห้ช่วยกันคือกันก็เปิดอารม์ก็ตงานก็ไม่หนัะก็ถ้าเป็นไปได้จะเป็นพี่เลี้ยงศึกษาไปด้วยกันรู้จักเวทนาหรือไย่เวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเวทนาเกิดจากความคิดใช่ไอืม ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ถูกออคิดได้พัฒนาทางจิตมันจะการแต่พัฒ น, นาทางกายมันมันเป็นของมันเองเปนอะไมันเกิดจากฟังคาถามให้ดีสิพทฒน า, เ ก, ากเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตดมันมันมันพัฒนานุทุกเดี๋ยวไม่ถูแล่วอา้าวนิชีพัฒ น, นาเกิดจากอะไร เี๋ย น, น, น, น, นาเดเะเี๋ยวค า, า, าตอ บ, ตอบมัชัดอ่าอบเวทนาเกิดเจอะไคิดอีก้วกม่ททางกายะคะก็สมผัสเนี่ยก็เอเราพบอะไรงา น, นะอะดยเวทนาเกิด อ, อะไร อ ท, ทุก่ะของทุกอ่าโยมราเจ็บปวดไม่ชอบโอเคิเวทนาเกิดจากอะไรไม่ได้ต้องรู้ <c oughs> เป็นนักเรียนเก่าแล้วอ๋อคิดคอ่าปอนเวทนาเกิดจากอะไรงทุกค่ะของทหมอเวทนาเกิดจากอะไรืไม่สบอารมณ์มอะไพอใจสบอารมณ์พอใจ เกิดจากเปสิ่งมาประคบตาอกสมุกลิธิกายใจแล้วก็มาเพิมอีกในลางท่องขันให้ผมพ่อฟังหน่อยดินี่มันง่ายๆอย่างี้ยนะไมาได้น่าจะยอะไรลูกไปเจอลูกทำไมทำกันไป้ำมันมาก็มาพวกนี้เรโอบแดดนะคุณนุ่นนะลองนะ คุณจะหายไอเลพชาวิชาวอบแดดต้องระบาดแน่แล้วก็เนีอเม่ออบนิตเทนเอาเอาผ้าคลุมอรมเต็มช้าไปเอาเอาผ้ากุปุมเอากางแดดจ้าจยนะแดดประมาณบ่ายโมงบสองเนี่ยตีนักแลเลยแล้วรุมเวทนาเกิดแก่รูปก็รูปเวทนาอย่างเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่าง คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอเราฟังเยอะๆเนี่ยมันมันมองข้ามสิ่งง่ายๆไปแตม่มองว่าประเด็นอะไรอันนี้มันก็เห็นโทษนในการฟังศึกษาเยอะๆเนี่ยทำให้มองข้ามสิ่งง่ายๆเพราะเราไม่ได้คิดลึกแบบคิดไกลเลยนถ้าไม่มีลูกี่มีเวทนนามมี <c oughs> <c oughs> แต่การที่แยกกับวิทยาทางกายเวิทยาทางจิตนี่ถูกต้องแล้วแต่ถามว่า เวทนาถามว่าเวทนาเกิดกี่ทางไปเกดออยดดอกเนถูนะวเวทนาเกิดสองทางคือทางกายกับทางจิตแต่คําถามเวทนาเกิดจากอะไรฟังคำถามาให้ดีเกิดจากรูปเพิ่มอะไรเพราะขันห้ารูปแล้วก็เวทนาแต่เวทนาเนี่ยหนึ่งเวทนาในขันห้าเวทนาข้าเกิดจากรูป เ ว, าา เ, ออเวทนาในปฏิสุบาทเกิดจากพี่คีใครตอบว่าภาษะเออนั่นนะเธอตอบเวทนาในปฏิสุบบาทภาษะแล้วก็เวทนาสังพิชาสังฆมิญญานอยนายตนะภาษะเวทนาตา่าเวทนาในขันห้ทีนี้ถ้าเวทนาใน สศิีประฐาน<ม>เกิดจากอะไรกายกับรูปการันตีนมันไม่ไม่ต่างกายกายกับรูปก า, า, ารกากันตตางครับผมตายกายก็ตังกายมั่งดำรู้ไหมรู้ก็รู้รอของเราดี <c oughs> <c oughs> ไมช่กายกับรูปเดียวกันเยอกันอ้าวไใช่กายกับรูปกันงรูคือร่างกายส่วนรูปก okay. uh, ็เสียงกลิ่นส anyway, uh. ัมผัสร nah okay. ูปที่ตามองเห็นจับอาถรรพ์ความคิดก็เป็นรูปจะขาดรูปกับกายกันกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปคือรูปนี่เป็นทั้งหมด ดูนะตาตาหูจมูกลิ้นกายใช่มถ้าเกิดอารมณ์ใจรวมทั้งหมดเรียกว่ารูปรูปที่เกิดทางสิ่งที่เกิดกายเห็นเรียกว่ารูปของอะไรรูปของกาครับข อ, ของกายที่กายเห็นสิ่งที่ตาเห็นเนะี่ยสิ่งที่ตาเห็นอ ก็เป็นรูปเรียกว่ารูปนะสิ่งที่หูได้ยินเป็นเสียงเรียว่ารูปเสียงรูปของเสียงครับสิ่งที่จะกลิ่นสิ่งที่จะมูได้กลิ่นก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นรถก็รูปของรถรูปของสัมผัสรูปของกายแล้ก็รูปของอารมณ์เพราะฉะนั้นรูปเป็นทั้งหมดแต่กลายเป็นส่วนของรูปกลายเป็นส่วนย่อยของรูป เพราะนั <southwest> ern, ้นเราดูรูกหมายความว่าด like ูทั้งหมดดูรูปคือแต่ถ้าเรดูกายคือดูเฉพาะไอ้กายที่มันเป็นตัวกายเนื้อนะม่เกี่ยวอะไรตามจมูกลิ้กายจะดูรู้สึกกายนี่ยที่สัมผัสกับกายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ตาเห็นกับกายสัมผัสนี่ต่างกันสิ่งที่ตาเห็นมันออกมาเป็นแสงกับสีใช่ไหมแต่สิ่งที่กายสัมผัสออกมาเป็น เย็นด้อนออกแข็งเค้งตึงใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปโหนดรูปไปรูปของตู้รูปของเสียงรูปของกลิ่นรูปของรถรูปของสัมผัสรูปของอารมณ์เป็นรูปก็าให้ดูทุกทุกอย่างเพียงแต่เป็นรูปเท่านั้นแต่อย่าไปดูเป็นกายพอเราไดูเป็นการเอาเสียงหละเอากลิ่นละเอารสละและอารมณ์ละไปอยู่เอาไว้ไหน ถ้าดูเพียงไปกายใช่ไหมแต่ถ้าดูไปเพียงรูปมันครอบคลุมทั้งหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นให้ดูรูปกับนามแต่ถ้าเปิดไปดูกายกับใจที่ไม่ถูก mm hmm. แต่ว่าให้พูดภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านคือกายกับใจแต่ภาษากลมฐานที่ครอบคลุมทั้งหมดคือดูรูปกับนามนามก็คือใจก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเ mm hmm. พราะใจมัหมายที่ตามขาจะหมุนวิงกายที่มัเข้าไปรับรู้อันนี้ก็ส่วน เอาละต่อไปลำเล็กวันนี้ความคิดเกิดกี่ครั้งเกิดก็เยอะท yeah. ่าเทียวกับทุกครั้งวันนี้น้อยกว่า ร, วระหว่างที่มันเกิดที่รู้เท<ม>่าทันกับไม่รู้เท่าทันเนี่ยอันไหนมีมากกว่าคิดว่าวันนี้เราเข้าเนี่ยเยอะ รู้ทันมากกว่ารู้ว่าอนัคิดแล้วนะแต่ว่ามันมีง่วงมากๆมีแตอาการขอความง่วงที่มันที่คนรู้สึกตัวก็รู้ว่ามัง่วงก็รู้รู้กเดี๋ยวมันก็หายง่วงไปอีกแป๊บเดียวมันก็ง่วงอยู่ในบทเดิมหรือเปล่าหรือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วทั้งยืนนั่งก็เดิมสลับแต่มัน มันถี่มากเกินทําไมมันไม่ตกแ ต, แตกคะการสว่างโรงแรมอะเสร็จสัตว์อีกแป๊บเดียวเก็มาอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะช่งเช้าอืเพราะคนเคยใช้ความคิดพอไมาได้คิดมันไม่มีที่ก่ อ, อดจิตจิตไม่มีเพราะว่ามันเคยเอาความคิดเป็นอารมณ์เกาะเกี่ยวใช่ไหมพอมาดึงความรู้สึกตัวมาเป็นที่เกาะเกี่ยวปั๊บจิตมันอาสติที่มาในการอย่างนี้ไม่เขึ้นแข็งพอบไม่ ไมเข้มแขนงอที่จิตจะไปเกอะเกี่ยวได้มันจึงไม่ตื่นไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไปเกาะเกี่ยวกับความคิดเป็นอารมณ์พอมาเกาะเกี่ยวความรู้สึกตัวเป็นอารมณ์ปั๊บจิตมันหนักมันคอยจะหล่นหูดเลยเพราะตัวความรู้สึกตัวมันยังเ บ, บางถ้าเป็นคอนุกตัวใหญ่ๆเกาะคอนเล็กๆ เ, เันนะเกาะไม่ติดคอที่ไหจะล้ม่อนที่ไหนจะหักเพราะว่าตลอดเวลาเราไปไปอาศัยความคิดเป็นคอนเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นอารมณ์เป็นตั้ง พรามาเก็บปฏิบัติปั๊มันพยายามสา่ความคิดออกใช่ไหมมันไม่มีความคิดเป็นอะไรก็์พอมาใสายความรู้สึกตัวทีนี้ความรู้สึกตัวมันก็ยังไม่เข้มแข็งพอกินแล้วไม่มีทีดด่ตั้งมันก็เข้าไปสู่ตัวนิวรณ์ที่โยมบ้านโยมทำทุกวันมันก็มั น, นน้อยมันน้อยไม่โนน้อยมากนีไ่ไม่สําคัญสําคัญต่อเนึ่งสมมติว่าเอาละวันนี้ว่างตอนนี้สามทีทํารือว่าอีกช่วงอีกครึ่งชั่วโมงทํา ว่าอีกชั่วหนึ่งินาทีททหลายครั้งมากวันนะมารวมกันแล้วได้สักสองชั่วโมงนี้นะ ใ, ในสองชั่วโมงที่จับมาต่อกันทีนี่จะไม่มีกำลังเท่ากับนั่งรวดเดียวสองชั่วโมงเอางี้ยงนึกออกไหมเหมือนเราติดไฟขงข้าวสมัยนี้ก็ว่า เสียบปลั๊กไฟนะเสียบปักข้าวอ๋อเสียบไปห้านี้เอาไฟในบ้านดับสับพักไฟมาต่ออสักพักดับอีกแล้วทีติแต่ดับนี้ทั้งหลายครั้งในชั่วโมงนะปรากฏข้าวสุกไหมข้าวในหม้อไม่สุกนะแต่พอเราเสียบวันนั้นไฟไม่มีปัญหาเสียบประมาณครึ่งชั่วโมงข้าสุ่ แต่รวมๆติดติดดับก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่รวดเดียวครึ่งชั่วโมงกับไฟติดตดับเมืี้ก็รวมๆเราครึ่งชั่วโมงกันแต่อันนึงเข้าสุกอันหนึ่งเข้าไม่สุกให้บ้านก็ต้องททีเดียวให้เป็นเป็นเป็นเซเไปเชั่วโมงไปเลยวที่รวมวดไปเลยแล้วมันจะมีพลังส่งไปในในยีบุทั้ดเพราะนั้นความต่อเนื่อง นัน่นใช่เพราาสาตัดจาั ก, การาที่โนเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องความเพียรพุทธ่ไ้รบใช้ก็ขอให้เพียรต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ต่อกนไปเหมือนกับเคยขีรร่รถจักรยานใช่ไหมถ้าโซ่ข้อใดข้อหนึ่งมันหลุดเนี่ยไอ้ร้อยสองร้อยนั้นเป็นไงไปได้ไมั้ยไปไม่ได้นะไม่ต้องไม่ต้องหลุดแต่ข้อ ไอ้ข้อเดียวเนี่ยไปไม่รอดนะใช่เหมือนกันไอ้ความต่อเนื่องไปรู้สู้ของสติถ้ามันหลุดตรงใดตรงหนึ่งปั๊บจิตมันก็ดําเนินไปไม่ได้นะคือสติจิตกับสติดําเนินร่วมกันไปไม่ได้นะสมมุติว่าล้อหน้านี่เปิดสมอนจิตล้อหลังมันเกิดส ม, มุนสติเพราะเราต้องได้มันใช่ไหมได้ล้อหลังมันก็องไปขับเคลื่อนล้อหน้าเ่อเราได้สติ ต, ตรงเนี้มันก็ขับขึ้นจิตไปมน้า ทีนี้ช่วงใดถ้าไอการที่จะได้ล้อหลังเพื่อประขับก็เนะี่สิ่งหนึ่งที่มาทําให้ขับขึ้นก็ได้ก็คือลูกโซ่ใช่ไหมบามตัวเนื่อตัวนี้สําคัญตัวรู้สึกตัวไปลูกโซ่นี่มันทําให้ขับขึ้นทั้งสองส่วนไปได้วยกันคือกายคือจิตกับสติไปได้วยกันอาการที่มันพุ่งไปข้างหน้าก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ต้กินระยะทางกินรืะยะประโยชน์สุดที่เพราะฉะนั้น ทำต่อเนื่องเซตเดียวเนี่ยดีกว่าก็ไปคิดว่าถ้าสมมติว่าทำต่อเนื่ตอนเช้าเช้ายังว่าขาดเลยก็ไปทําีกวันเนี้ยควมที่ว่ามันขาดเราก็จะเช่อยู่ตั้งแเรื่อยๆกวันถ้าถ้าต่อเนื่องวันละวันละสองชั่วโมงอะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเอออย่างนี้ได้หรือต่อเนื่องวันละสองชั่วโมงเอาเช้าสองชั่วโมงหรือไปเอาทิ้งเย็น2ชั่วโมงทีเดียวเอออย่างนั้นได้แะได้สั่งสม มันไม่เหมือนกับวิชาที่เรียนกันนะสังสงคะแนนไปเรื่อยๆไม่เหมือนยังงนะนนวิชาทางจิตอาศัยวัตถุการเกิดดับถี่กว่าวัตถุนะเพราะงั้นก็อาศัยความต่อเนื่องแบบรูปเดียว B วันนี้เวทนาที่เกิดขึ้นโดยเจตนากับไม่เจตนานี่อันไรมากกว่า ม า, ม, มากกว่าใช่ั้ยเวทนาที่เกิดโดยไม่เจตนาเนี่ยผลออกมาคือ <c oughs> ผลจากการที่ไม่ที่มันออกมาโดยไม่เจตนาผลของมันผลรับของมันคืออะไร <c oughs> ม่กี้บอกไปแล้วนะใช่อันนี้เราลบทนความจำเฉยๆเบอกไปแล้วอ่ะเอาวิชาอะเอากแล้วก็สไลว์ถ่าสมมติว่าล่ะพอเป็นยกขยะชัดๆยนังเนี้ยนัไปสี่ที เอเวทนาเวทนาเมื่อเกิดตามเริ่อขึ้นมาได้ไหมทุกประเวทนาเวทนาที่เกิดทํากายเยจตนาไม่เจตนาเมื่อเกิดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นนาตธารมมันมันบังคับไม่ได้อมันเกิดของมันเองอใช่อันนี้คือเพราะมันเป็นรูปอย่า ง, งเพราะรูปจะต้องเป็นไปตามกฎของอันนี้จังคาาือความนามธรรมเป็นนามธเพราะฉะนั้นเจตนาหรือไม่เจตนาทางรูปต้เกิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ใจเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนไปเดยพิธนาผลก็เปนนลี่ยนไปเชนกันพิธนาหายหมั้ยหายใช่มั้ยแต่ว่าลักษณะของการหายพิธนาหายด้วยอำนาจของของอะไรของสัญชาติญาณเพราะฉะนั้นผลออกมามันจึงเป็น อนุตางแต่สมมุติว่าหลงพ่นั่งท่านี่ปวดก็ดูไปก่อ น, อนไม่ถึงเวลาที่เปลี่ยนก็ทำไเรื่อยๆรู้สึกเออที่นี่ขยับนีดขยับพอผ่านเอ๊ะพออยู่ได้ก็ทำใจทำไปซักพักเอ๊ะมันท่าจะไม่ไหวแล้วนะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนใหญ่ ลักษณะมีการกะมีการลำดับมีการสังเกตมีการศึกษาแล้วมีการดูอย่างเงี้ยผลมัน <Yeah. S 1> ออกมาเป็นมันเกิดจากสติใช่ไหมเพราะมีการการําหนดมีการเลื่อลึกรู้ในการเปลี่ยนไปก็มันมาเปัญญาแล้วตัวปัญญาที่ได้ออกมาคือความสบายได้ถ้าผลออกมาเป็นปัญญาด้วยแต่อันแรกนั้นก่อนสบายได้จะผลออกมาเป็น โ <c oughs> มหะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความต่าง <c oughs> ของเวทนาที่เจตนาและไม่เจตนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเวทนาเกิดไม่ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่เราจะเจตนารู้หรือไม่รู้ทั้นั้นเพราะฉะนั้ น, ร น, ต, ต, นตรงนี้เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องตระหนักตรงนี้ให้ชัดๆต้องเก็บเกี่ยวเพราะเราต้องการที่จะให้เกิดญาปัญญาสังสมตัวญาต้ แล้วยานปัญญาเดีนี้ก็จะไปเพิ่มพูนสติปัญญาของจิตที่จะไปรู้ทุกสิ่งตามคนไปจริงเนี่ยได้เร็วขึ้นเมื่อรู้ได้เร็วขึ้นการตัดสินและลงมือทำก็จะชัดเจนถูกต้องว่าทันเวลาจนะไม่ผิดพลาดนะนี่คือพี่ผมนุกมันแล้วก็ในสถาน ก, การณ์ฉุกหน้าหหรือสถาน ก, การณ์ฉุกเฉินเนี่ย สติมันจะเข้าประกบอย่างใกล้ชิดเลยนะสําหรับคนที่ปฏิบัติจนคุ้นเคยแล้วนะยิ่งวิกฤตเท่าไหร่หมายความว่าผู้เจริญสติมันหมายความว่าจะต้องทำอะไรช้าๆเชื่องๆทีแรกจังหวะอะไรที่มันสับสนวุ่นวายแล้วงงไปหมดทําอะไรไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะี่นแสดงสดงเจริญสติยังไม่ถูกเหมือนกับนักแข่งเน่ยใช่ไมมันสปีดเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องนวัดตกรรมสูงมากใช่ความนวัตรรมสูง นักแข่งนักเล่นอะไรที่เสี่ยงแต่หมายคาว่าถ้าเขาพลาดมาทีเขาตายฉันได้ก็ดีนะการที่เราฝึกฝนตัวสติสมาธิปัญญาเราต้องทำให้ดีให้ให้ถูกต้องเอาไว้เพื่อเพื่อเวลาไปใช้งานมันจะได้มันจะได้ไดถูกต้องขอบวนการจัดของมันเอง พอเราไปใช้งานเนี่ยเราไม่ได้มานั่งเรียบเรียงจังหวะจากครูใดเลยมันต้องเป็นไปเองทุกอย่างต้องเป็นไปเองแต่เป็นไปโดยจังหวะที่ถูกเรียบเรียงมาก่อนหน้านั่นแล้วเหมือนการลันของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเพราะมันถูกเซตข้อมูลอะไรลงตัวแล้วเวลาเขาทิ้งมันก็รีบไปถูกระบบของมันถ้าไวรักมันไม่ลงนะแต่ถ้าไวรักลงไปไงเขาะแล้วก็ไม่ไปเขาเอียมออกอีกแบบ จิตของเราที่มันไม่เป็นไปตานั้นเพราะไวรัสมันลงใช่ไหมไวรัสของจิตคืออะไรธรรมชาติของหมอนไม่ผลผลทั้งหมเลยว่าอนั่นคือตัวเหตุตัวผลนู้นน่ะผลที่มันเกิดมาทําให้เป็นมีเอฟเฟกต่อต่อจิตเพราะว่าโดยผลน่ะคืออะไรด้วยมัมีทังสองด้านนะไวรัสดีไวรัส ไปเรื่อบวชเลยเรื่องนี่ทำให้ทุกข์อ่าผลที่ทาให้ทุกข์แต่ว่าผลเหตุของตัวนั่นอีกอันคือความพอใจหรืความพอใจเป็นเวลาของของจิตนี่นะขาวเวลสองตัวไหมที่การข้าวเวลาสองตัวนี่จะทำไงไม่ใช่มใ่โปรแกงข้าเลาโปรแกมข่าวเวลาที่อยู่สบตัวอะดอาตาปีสติมาสัมปชัญญะ แลวคุณเรียกวนน่าอาตาปีสัญญาสมาวินัยยโลเกอภิชาโทมนันน์สามารถฆ่าไวรัสสองตัวได้คืออภิวินัยยโลเกแปลว่าฆ่าแล้กำจัดออกหรือว่าตัดออกโลเกมาจากคำาจิตเตสามารถกำจัดไวรัสสองตัวคืออภิชาอโลเกคือความพอใจในหัวใ จ, จออกจากใจได้เพราะนั้นเราต้องมองเป็น3ามตัวเนี่เป็นโปรแกรมฆ่าไวรัสคืออาตาปีสติมาสมัมปชาญญ คือเพียรด้วยสติสัมปชัญญะไม่ใช่เพียรด้วยความอยากกัญหาเพียรด้วยสติสัมปชัญญะแต่ส่วนใหญ่ที่ดูดูแลส่วนใหญ่ก็เพียรด้วยความอยากนะอยากที่มันได้แต่เพียรด้วยสติสัมปชัญญะที่มันเพียรด้วยลักษณะสังเกตสังการศึกษาพอดูอาการของจิตมันไปอยังไงมันรู้สึกอย่างไรมีอย่างไรเขาไปดูอาการแต่การจะทําที่ช่วยให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้น าปรับโฟกัสได้ไงขึ้นเห็นเพราว่าได้ชัดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรไม่มีอัตาปีเนี่ยมันทำให้โฟกัสยากยอาตาปีเพราะฉะนั้นจุดนี้มา โ, โอชัดเจนมากในที่พิยศษท่านคนพภพช่วาเรานั่งทยยํเฉยๆเนี่ยตัวอตาตาปีก็คือการขยันรู้ขยันสังเกตขยันปรับ อยาศึกษาตัวไหนมาก็ให้ศึกษาสมมุติว่าอาการทุกขเวาทนาธรรมกายมานี่มันไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ตัวปัญหาก็คือเราไม่ขยันในการที่เข้าไปปรับไปแก้ไปบำบัดอย่างสมความง่งงวงมาเนี่ยความ ง, ง่วงไม่ใช่ตัวปัญหาแต่การที่เราไปจัดการความ ง, ง่วงแบบไม่ถูกจังหวะหรือไม่ไม่ถูกเป้ามันเนี่ยมันถึงสลัดไม่หายแก้แล้วมัน ด, ดูแก้แมนดูดสมมติย้มเล็กเนี่ยแก้แล้ว เดี๋ยวติดอีกแก้แล้วก็เป็นอีกลองเดินออกจากที่แล้ไปยืนที่หยาบหยาบหือที่รบๆอยู่ดูแกง่วงอยู่ <c oughs> นะบางทีมันจะไปแก้ตรงที่ค่อยๆไม่ได้ใช้วิธีแก้แบบแรงๆหน่อยมันก็จะตื่นตัวทันทีมันก็เราไปปลูกปลูกน ะ, ะตื่นๆๆ น, น, น, นี่นะคอยสักสิบครั้งมันก็ไม่ตื่น <c oughs> ต้องพาไปเดินตรงหินําแหลมที่ผมไปเดินมาไปเดินกับพี่นุษย์พี่น้ษย์บอกตื่นเลยตื่นไอ้เงี้ไอ้เงเพราะฉะนั้นเราก็จอนใบไม่ชหาเดินที่มันอะไรเต็ปุบเตปั๊บอะไรอยเงี้ยมันกระตุกไปสะอานนต้องการยงเข้าใจผิดนะครับอาจารย์งคิดว่าอาจารย์ให้าถึงแต่แค่ในเต็นยงก็เลยการ ก็อค่าตอนเช้าก็ทาไปตั้งหลายท่านะท่าไหนที่มันโอโดยว่าทำแมันรูนะทำก็ไม่หายเพราารู้ไทโอโดถ้าที่มันหนักหนักหน่อยนะแล้ทีนี้ยานุตในขณะที่มีสิ่งมากระทบเนี่ยเราตอบสนองต่อสิ่งกระทบนีจิตมัน จิตมันออกไปยังไงสังเกตสมมุติว่ามีใครมาถามนี่นะ uh huh. โอ้นี่ผมจะไปข้างนอกผมจะไปด้วยไม้นี่นะ uh huh. เออทีนี้ขณะที่ตอบสนองจิตมันมันยังอยู่ที่ตัวหรือจิตมันไปหาจุดที่มากระทบแล้วสังเกตไหมครับในสังเกต ที่สังเกตนะคะแต่ว่าไปกับเด็กคือเจตนาที่จิตมันตั้งไว้มากกว่าเห <Hey. S 2> มือนกับเราเราตั้งจิตไว้รือตั้งใจไวอะไรอย่างเงี้ยจะไปเหมือนกับตามความตั้งใจมากกวาแต่ว่าแต่บางครั้งสิ่งที่มากระทบมันไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งใจแลไรก็้คะเด็กกันถ้าเป็นเรื่องอารมณ์คนอถ้าเป็นอะไรที่กระทบอารมณ์ดูแล้วไม่น่า ไม่พอใจอะไรนี่ได้ไหมังเหมือนเส้นเรื่องลูกน้องบอกอะไรที่ไม่พอใจเนียก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ะจะจะตามเลยแต่เดี๋ยวนี้จะพอกระทบปั๊บก็จะเลิกจะรู้สึกรู<ค>้สึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกตัวรู้สึกได้ค่ะคืออยากจะให้สังเกตตรงนี้เยอะๆน ะ, ะพราะวันสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยเป็นเป็นแสนคนระับทีนี้ในเหตุการณ์แบบนี้เราตอบสนองมันยังไงแต่สิ่งที่กอะทกไม่ใช่สิ่งผิดนะค่ะ แต่ว่าถ้าทีที่ตอบสนองต่อสิ่งกระทบตรงนี้ถ้าเราไม่ไป็เจริญสติแบบนี้เนี่ยมาโอ้โหรู้ยากมากเลยเพราะเพราะกําลังของสติที่จะไปรู้เท่าทันเนี่ยมันต้องไว <Okay. S 1> พอสมควร น, นะ <Okay. S 1> แต่สติที่ฝึกอย่างอื่นมาเนี่ยมาแล้วองว่ามันมค่อยไวเท่าไหร่นะเท <Okay. S 1> ่าที่ทำ ม, มาแต่วิธีนี้มันจะไวมาก <Okay. S 1> ทาให้เราเป็นคนที่ว่องไวอ่ะตอบสนองเราตัดสินใจได้ไว พระเจาที่ท่าระเจ้ว่าพอเริ่มเลิกเอาความคิดเข้ามาเป็นตัวก่อะไรนะก็ <c ười> รู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนแนอลคือ <c ười> รู้สึกเหมือนง่วง่าขึ้นอย่างที่เรียกเห็นนะ <c ười> คเพราะ <c ười> ว่าเดี๋ยวนี้จากที่เมื่อก่อนะตื่นตัวด้วยความคิดแต่ไม่รู้ว่าตื่นตัวด้วยความคิดนะ <c ười> เหมือนเอาไว้ทุกวันเนี่ยเวลาที่ง่วงหรือเคลียร์อะไรมีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาจะอยู่ได้เป็นวันเลยคือใช้แบบได้โหนตัวเองไว้ตลอดเลยนะพอช่วงหลังเริ่มงปรงได้ไม่ค่อยสนใจแล้ววนะก็เริ่มรู้สึกแบบ เลือกตัวเองมากกว่าก็กลายเป็นว่าง่วงเหงาเหงารอกว่าจากที่เป็นคนที่นอนวันละสอชั่วโมงอย่างนี้กลายเป็นว่าอยากจะตื่นแค่สองชั่วโมงแล้วค่ะคือเปลียนไปเลยเลยหาสาเหตุว่าพราะ่าปกติเิาเป็นคนละคนเลยจากคนไม่นอนกลายเป็นคนนอนง่ายขึ้นกลาเป็นคนที่คิดจะลับท่าเดียวเหมือนกับว่าเรื่องที่ไม่อยากจะคิดก็กลายเป็นว่าอย่างที่บอกว่ารับงานมานะฮะอยู่ได้ทั้งคืนเลยเพราะว่าตื่นตัวหลังกว้างที่ ที่กระจายูดฟังพวกแก๊กเลยค่ะเหมืร่างกายเราไม่แข็งแรงพอมันต้องการร่างกายมันแล้วมันแบกมานานแล้วก็เลยต้องการพักมากกว่าแต่คนจิตต้องให้มันพักจริงๆก็เรื่องของการตอบสนองเราอยไปตอบสนองทันทีบางเรื่องที่ไม่จําเป็นก็เฉยๆไว้ก่อนแต่บันเรื่องมันมันจำเป็นก็ค่อยตั้งท่าจังหวะจากคนตอบสนองให้มัน ไม่ต้องรีบเหมือนกันนะซึ่งเราจะสนุกในการทำงานเพราหลายเรื่องที่มันไม่ค่อยจำเป็นแนี่เราก็ตอบสนองไปเรื่อยๆตอบสนองทุกอย่างเลยอย่างรู้ตัวว่ามกระทั่งว่าเรื่องนิดเดียวที่รับรู้แล้วก็คิดว่าเป็นุแมงแจะเกินก็แก้ไขเไม่ชบแกไขมันก็เลยทำให้เราพลังไปสูใจ่ายไปเยอะจ่แบบว่าจายไม่อั้นเลยจ่ายไม่นไม่มีจ เพราะฉนั้นตรงนี้ทำมาว่าเราจะต้องเซตพลังเราไว้นในสิบเรื่องเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความจําเป็นที่เราต้องเข้าไปตอบสนองกี่เรื่องจริงๆน ะ, ะถ้าไม่ตอบสนองจะเสียหายคือคือที่ผ่านเราไม่ทราบค่ะ<น>คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราเปาที่ของเราเพราะว่าเป็นเ ห, หมือนกับเรืองอะไรก็จะต้องใช้เรา<น>ตั้งแต่เด็ก<น>ๆมาตลอดลเราก็คิดว่าถ้าไม่มีใครทําน่ยจะมีใครสักคนก็น่าจะเป็นเราอย่าง้ตลอดค่ะ เลยใช้พลังงานฟื้นฟูเลยเป็นนะาร ม, มามีหลายอย่างโอยการตรอบสนองนสําคัญดีนะถ้าเมื่อก่อนนี่เราทุกข้อตัวนี้นะเพราะเราตรอบสนองทุกเรื่องอพอพอแตะไม่ได้ตอ่อไฟเลยมันชนะั่วเลแต่นี้แตะเฉย อ, อยเงี้ยเออโอเคอยางได้แตะได้ก็เฉย อ, อย่างเงี้ยแต่ถ้าแตะแล้วมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปเรื่อยๆจะสีนะไม่ได้เข้าไปแบบ <c oughs> แต่เรียกใช้คามรู้สึกลอ่อเข้าไป อ, อย่างเช่นครั้งแรกเราคิดว่าเราจะไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของเราก็เริ่มเซฟตัวเองมากขึ้นนะคะ<อ>แต่เริ่มมีความสึกแ่บสงสารคือท่องเราพูดธรรมดาแต่จิตเราชอบขอเข้าไปสงสารคิดว่าช่วยเขาสักนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็จะไม่ยุ่งแต่พอเข้าไปก็จะกลายเป็นว่าจะจบเรื่องทุกครั้งนะคะ<อ>ถูกถูกลอ่อหลัจิตใจไปค่ะก็ถือว่าเราได้ สร้างจิตมาดีเนาะแต่ว่าถ้าเราไปใช้มันเกินะสิ่งที่ดีนะถือใช้บันมากนะมันก็จะทำให้เราหมดกำลังได้เหมื ila, อนีัยานีกินวันละสามเวลาครั้งละหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยโอ้ยาดีดีด้เกินชันเอาหลายเม็ดตลอหลายเวลาก็แล้วมัดีได้เกินเลยออถ้าที่มันจะดีมันก็แหบบ้งไปเลยเหมือนกัน ใช้ในสิ่งที่ดีจะใช้เฉพาะที่จําเป็นการทําดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าทําดีเฉพาะที่จําเป็นความดีหลายอย่างไม่จําเป็นต้องทําก็มีอะไรที่มันจําเป็นนะ ก, ก, ก็ทําไปก่อนแต่บางครั้งถ้ามันมีเวลาแม้ความดีบางอย่างไม่จําเป็นก็ต้องทำเพื่อเพื่อฝุกนิสัย เรามีท th ีสใยที่ดีแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องฝึกอีกได้แล้วดีแล้วยมฤีดความคิดความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดพร้อมกันหรือเกิดคนละขาวเกิดคนละขาวจ้ะเอเสวีไป ไปปิดให้หลพอดูนะปิดให้หมดเลยน ะ, ะนี้เห็นเห็นไอ้ภาพในห้องนี้ชัดชัดไหมไม่ชัดเจ้าค่ะไม่ได้เ้ากำลงเปิดไฟ ขณะที่ไฟเกิดกับตาเห็นเนี่ยมันเกิดคนละขาวแล้วเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันใช่ไหมเอาแล้วทำไมันเกิดคนละขาวนี่ น, นี่เป็นสังเกตที่ดีนะใ ห, ให้ศึกษาจากตู้บัวทำอะไรก็ตามศึกษาจากรู้บัวทำบาทีเรานึกเอาเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยที่คำว่าการเป็นเรื่องยากเพราะเราไปศึกษาจากตัวนามธรรมฝ่ายเดียวเมื่อศึกษาจากตู้ เพราะทำที่มันเกิดเกิดจากรูป ก, กับนามใช่ไหมแต่เวลาเราไปศึกษาที่จะรู้ความจริงมันกลับเป็นรู้อย่างไดอย่างหนึ่งมันถึงยากไงมันไม่ใช่เป็นครบเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องต้องดูมสมมุติว่ากายเวทนาจิตธรรมสอย่างนี้นะดูกายกั็เวทนาบ็ดีจิตก็ดีสภาวะธรรมก็ดีถามว่าเกิดที่อะไอย่างได้เกิดพร้อมกัน มามองไปทางหน้าน well. ี่ถามว่ามาเห็นเสาทุกต้นม้องกันเลยเห็นจีเดนโต้เห็นหมดเลยกับหมดเลยใช่ไหมแล้วมองไปแต่ถ้าจําเป็นจะต้องรู้ว่าเสาต้นนี้สูงเท่าไรยาวเท่าไรมันก็จะมาโฟกัสแต่ต้นนี้ใช่ไหมให้ต้นเหล่านั้นก็หมดความจําเป็นไปแต่ในกรณีที่เราไม่โฟกัสจำเป็นก็รู้ว่าปั้งก็เห็นได้ทุกต้นเพราะฉะนั้นได้สถานได้ทุกต้นนี้เขาเริ่มเกิด การเป็นหน้าที่ของจิตมันจะดูอะไรสิเดีรวดทีเดียวความใบทั้งหมดนะแต่ถ้าเมื่อไรมันเกิดจักปุญญาขึ้นมาหมายความว่าฉันต้องการดูเสาตัวนี้ตัวนี้จักปุญญาเกิดแล้วแต่ที่ลืมตาเมื่อกี้นั้นมันเห็นแต่ยังไม่ได้ดูนะเข้าใจไหมการเห็นมันหมายความว่าลืมตาขึ้นฟับแล้วมันมันเห็น มันจะดูนะแตม่มันเห็นก่อนแต่ยังไม่ได้ดูอะไรกันอะไรเหมือนกันอาการที่เกิดกับในร่างกายอาการของการทุกเวทนาเนี่ยเกิดเราก็รู้ว่าทุกเวทนาที่เกิดนี่เกิดกับกายและในกายตรงนี้ที่เรารู้ได้เพราะมันมีเวทนาและเวทนานเรารู้ว่ามันเป็นทุกเพราะมีจิตและความทุกนี้เราชอบไม่ชอบมันเป็นอาคม ร่ากายวิทยาจิตทเสืบพร้องกันไหมพร้อมกันพร้อมกันแต่ว่าเราจะดูอะไรเหมือนกับเรามือของเองดูแป๊บหนึ่งเสาทุกต้นพร้อมกันใช่ไหมแต่เราจะดูเสาต้นไหนล่ะเราถึงมาแยกอเป็นอย่างเนี่แต่ความจริงมับคนต้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเองเวลาเราสังเกตสังเกตใช่ไหใช่ก่อนทั่วพร้อมเวลาเราศึกษาปฏิบัติแต่ทีนี้ ถ้าสมมุติว่าดูควบพร้อมเนียเออความหนักหน่วงมันก็มีรูกจุดของของร่างกายขแขนก็ม า, ก, มาก็มีแฉดตรงไหนมันชัดกว่าไอการที่เราจะไปเพ่งที่รู้จุด น, นั้นมไม่ค่อยตัวนี้มันมันจำเป็นแหละก็มานรู้จุนี้ใช่ที่การศึกษาอารมณ์เลยโดยแยกคลา ย, ย่างนี้แต่ถ้าเราทําไปแบบทื่อๆเนี่ยโดยที่ไม่แยีกคลายแบบเนี้ทําไปน้าเท่าไหร่ปัญญามันไม่เกิดนะ ความอาถารความเข้มแข็งของในกัรเพราะฉะนั้นเฝ้าดูศึกษาในสภาวะที่มันกำลังเกิดปัญญามันจะแหละมะคมแล้วก็ว่องไวมันเป็นการเพิ่มให้พลังให้ตัวโซรู้นี่นะมาได้เร็วขึ้นพอได้ปัญญาโอ้เจริญสติมนานแล้วเป็นทำไมปัญญาจะไม่เกิดเลย แสดงว่าสติไม่ได้เจริญเนาะไปเจริญ อ, นะอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเจริญสติยิปยาต้องเกิดนะไปรียนตอศึกษาดี อ, ห, อหมอไมไ่รู้ชื่อนะีจะชื่อนะหมอชครับหมอชช่าายครับชายหมอชัหมอชมาปฏิบัติครั้งนี้ครั้งที่สาแลนะ้วเนาะ ไปป่าชูกุโตป่าสวนนั้นสครั้งใชคงคง่ครับทังอีกทั้งอีกทั้งที่ 3, 3> ใช่ครับก็ในรูป ก, กับนามที่ที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยสติที่เข้าไปเกี่ยวข้องรูป ก, กับนามเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ตอนไหนบ้าง ว่าขนนี uh, <k <k <k <k <k <k <k ้ไปดูไปน้สติจะเกิดตอนไหนถ้าสมมตเก็คือม่ในชีวิตประจำวันน่ะมันไม่ได้อยู่ไม่ได้ปฏิบัตินี่ไหนเราทำงานอยู่เนี่ยมันเกิดสัมผัสรูปน้ำได้มันเกิดสัมผัสมันเกิดรู้ได้ตอนไหนจะรู้คือเหมือนมันดูแบบรวมๆก็ะ คือมันจะรู้วรวมรู้กายร้ิไป่ด้อครับคือาทีก็ก็คือมงคือ่ากายเดี๋ยวคำถามอาจะมาอาจจะไม่ชัดมาถามใหม่นะว่าในชีวิตประจาวันเราสมมติเรารู้อารมณ์รูปนามเยนะเรารู้มาได้ตอนอันนี้ถูกไหมชัดคำถามนี้ชัดเพราวเรารู้อารมณ์รูปนาม รู้ตลอดเวลาหรือรู้ได้เป็นบางช่วงบางตอนถ้ารู้รู้เ่ะฮะเออของผมมันจะรู้ต่อเนื่เป็นบางช่วงแต่มีบางช่วงที่มันจะหลุดเหมือนกันช่วงที่มันต่อเรื่องบางช่วงมันเรารู้ได้ใช่ไหมหรือเป็นรู้ไปนานรู้ได้ตอนที่จิตอยู่ในปัจจุบันครับ เป็นรูปเป็นนามนะแต่เมื่อไรถ้าจิตออกปัจจุบันมันเป็ น, เ ป, นเป็นความิเป็นความทุกข์เพราะนั้นนะที่เรารู้อะรู้ลูกรู้นา ม, มันรู้ได้ตอนไหนเอ๊ะคำถามที่มันตั้งถูกหรือเปล่าหมอรู้ได้พาราะอะ ร, รู้ได้ตอนที่จิตเป็นปัจจุบนันถ้าจิตปัจจุบนันอยู่ปัจจุบันปับ๊บรูปนามปรากฏใช่ไหมพอจิตออกปัจจุบันปั๊บรูปนามก็ หายไปเพราะน่ามาตั้งคำถามไม่ผิดนะโอเคอกมาตอตรงชัดเจนนครับให้คุณคตอบงองทํมาาไปมาไม่ได้ใจกัตบตไม่ได้ถามวเองเพราะมันใช้หลายภาษาเลยใช้หลายเส้นามาเป็นครูที่ออกออกออกสอนบ่อยเพระนออกค่สอนจน <laughs> ดีแล้วครับจะได้ได้คิดเยอะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เอานะที่นี้ถามเรื่องอา ร, รมณ์รูปนามนะตอนนี้รู้ ต, ตัวตัวเองอยู่ในอารมณ์รูปนามหรืออารมณ์ปรามะรู้ว่าขณะนี้ตรวจสอบตัวเองแล้วว่าตัวเองน่าจะอยู่ในอา ร, รมณ์รูปนามหรือน่าจะอยู่ในอารมณ์ปรมามอ ถามว่าอารมณ์น <them. S 1> um. um, ้รไม่อยู่นานไม่อยู่กับตัวเองอยู่กับอารมณ์น้รมันกแต่ละแต่ละช่วงเอาในหนึ่งชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี่ยจิตที่มาอยู่กับปัจจุบันจริงๆที่สัมผัสได้นีประมาณกีเปถ้าในบรรยากาศทั่วไปถ้าอยู่กับบ้านที่ทางานที่ไม่ใช่อารมณ์มาปฏิบัติถ้าอยู่ที่บ้านผมว่าน่าจะครับสมมติถ้้อยเเนี่ยได้สักกี จะปรมาณน่าจะประมาณ50ปนะร์เซ็น์ะ50โอ้โห50น่ถือว่าตีเลยเก่งมากแล้วเนี่ยบ <c> ร <oughs> <c oughs> ิไดสามครั้งนะาาก็คือดูไปเรื่อยๆทั้งวันนะฮะทั้งวันจิตไม่เปแต่ว่าแต่ว่าคือคือีผมก็คือดูดูกายดูดูกายไัดูจิตไปไนะครับแล้วก็คือผมทำหลายอย่างเลยหลายๆหลายลๆแบบนะครับเ <c oughs> งีคือรู้กายบางทีก็คืออย่างถ้าเดินปกติเนี้ยเราก็ดูรู้กายไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่อย่างอย่างทาขยับมืออะไรนี่เราก็คือรู้รูกายไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ก็คือถ้าจิตค <cut> ิดเราก็ดูดูว่าต่เรื่องจิตคิดก็คือดูไปเรื่อยทั้งหมดแล้วก็บางทีเราไปจจะับใช้ขยับมือเอ่อนับลูกกลิ่นหรือทำอะไรไปเรื่อยๆเราดว่าก็คือหรือไม่ก็ดูลมหายใจครับ แต่บางทีบางช่วงก็ษช่วงก็อไม่ชัดเนี่ยครับมันก็อาจจะลดบ้างมีบ้างแต่สรุปแล้วได้ห้าบเเซนตะต่อชั่วโมงหรือต่อวันก็เากรเป็นต่อชั่วโมงก็ได้ห้าสิบอ็ต่อชั่วโมงก็ไม่ได้เลย50เอ็าก็เหลือสิเอเนต้ใช่อัวโมงก็ได้ถึงหกสเปอร์็นต ขึ้นยู่ั ว, ว่าเราจะขยายามรู้มากนะ้อยแค่ไหนก็ยังมีนะที่เน้นว่าให้รู้ตัวเองให้ชัดว่าถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์รุนแรงหมายควมว่า<ๆ>ตัวเองประคองตัวสติอยู่ในปัจจุบันได้เป็นส่วนใหญ่เป็นอารมณ์รุนแรงถ้าเราสามารถประคองจิตในขณะกระทบอารมณ์ รักษาจิตปกติได้เป็นส่วนใหญ่<ม>เป็นอารมณ์ประมาทเข้าใจไห ม, มทีนี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ทํางานในเวลากระทบอารมณ์เรื่องลูกน้องบ้างเรื่องคนร่วมงานบ้างเรื่องคนไข้บ้างอะไรจิตของเรามันมันเป็นอย่างขึ้นๆลงๆไมื่บางคร<ม>ั้งนู้นมันเฉยๆตลอดเม่อการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบเนี่ย อย่างทันทีหรือว่ามันมันยังมีการตั้งค่ารู้ตั้งค่าฝั่งตั้งค่าศึกษาตั้งค่าเข้าดูก่อนที่จะคิดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรหรือว่ามีการสบรวจตรงนันนะก็ดูการส่วนใหญ่หรือว่าบางครั้งส่วนใหญ่ใหญ่ใชก็คือผม่าเราเมื่อกี้เขาพูดเลยมาคือสักคราอ่าู้รู้ละก็คืออ่ารู้ว่า ความรู้สึกเป็นไงเกิดขึ้นรู้ว่ า, าคิดคิดดีหรือคิดไม่ดีรู้แล้วเราก็คือมัอนจะติรู้เสร็จเราก็แบบว่ า, ารูว่าเราควรจะออกไปแสดงออกไปยังไงเ ม, มื่อมีเมื่อมีอารมณ์อะไรที่ค่อนข้างเข้มข้นดูแรงมากระทบเนี่ยมันเก็บอยู่ได้นานนะขังในใจขังใจมานานนะด้านเดียวนะครับพ่ บางเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างจะเปิดปฏิคัดไม่พอใจเนี่ยปัจจุบันมันตั้งอยู่ได้นานไหมบางเรื่องยังนานครับประมาณหลายวันหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ครับบางเรื่องมีไหครับมีนะมีครับมีแต่ว่าข้ามวันข้ามคืนไหมส่วนใหญ่จะพยายามมให้มันข้ามน เป็อย่าครับก็คือถ้าารู้สึกว่าอย่างวันั้นนะถ้าสมมมีเรื่องไหนที่แบบกระบเยอะแล้วมันเหมือนกับตดติดอารมณ์นะครับก็คือจะพยายามเดินโกมมนานๆให้มันลุดไมด้ประมาณนีครับจะแก้แก้่เพื่อไาแต่ไปก็ต้องบอกนะเนี่ยหมอที่อารมณ์แล้วนะต้องบอกที่อารมณ์แล้วไะด้รู้คือ การที่เข้าไ ป, ปเผชิญกับสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆี่แล้วได้เห็นมันเกิดแล้วได้เห็นเหตุหมันไปประมาณนี้ก็เป็นเรื่องดีนะเรื่องที่เขามากระทบนะเ<ม>พราะถ้าถ้าไม่มีสิ่งนี้มากระทบเราเราจะไม่รู้ถึงกําลังของสติปัญญาก็ใช่ไหมเพรานักเขาตอบก็ขอบคุณเขาทีเดียวแหละคุณที่ทําให้เราต้องต้องคิดหนักนี่นะเพราะอย่างน้อยเราไปจะมีวิธีฝักกิแล้วเป็นนะ ซึ่รื่นี้จะเป็น <c oughs> การที่เข้าไปเกี่ยวข้องันสิ่งที่เกิดกับจิตแล้ววิเคราะห์จิตวิเคราะห์ใจและสามารถปรักจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันอะไรได้ในเรืองของอารมณ์ที่เป็นประมาทก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติต่อไปเก็บอรบารมณ์บ่อยเข้าไปเข้าอายุของภพภูมหรือความคิดมันก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแต่ที่เรื่องสักวันสักวันมันจะติดหลายชั่วโมงมันก็จะติดหลายนาทีแทนที่จะหลายนาทีก็หลายวินาที มันจ ะ, จะสัน um ่นมาเลยๆพบคุมิเรก็สั่นมาสั่นมาในที่สุดกระทบปุ๊บเดียวก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นจะง่ายขึ้นนะที่เห็นเมื่อก่อนที่เราไม่รู้เรื่องนี้เรอไปวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีมัจะอันนี้คือข้อดีของการปฏิบัติมันสามารถจะทให้จิตของเรากลับมาเป็นปกติได้ไวเมื่อจิตเราปกติได้ไวปั๊บเนี่ย อันนี้จําของหน้าตาที่มันบีบขั้นทั้งกายทั้งจิตมันก็ไม่ค่อยมีกำลังหรือว่าเชี่ยของชารามราณะโศกกริเา ว, ว่า ม, มันอ่อนมันก็ไม่ไม่ครอบงำการแลวจิตของเราทำให้เราแก่ชา้าเก็บชา้าแล้วก็ตายช้าได้ด้วยนะอันนี้คือผลของการปฏิบัตินะปอนวันนี้เดินบนหินได้นานแค่ไหน ชเช้าเดินกยอมนินยเดิน้นา่นาินได้นเลย่คือตอนที่เดบิพวนั่งงเลยเดนเสีวสอ๋อว่านั่งแล้วอยู่ไม่มีนิดเคะตอนที่วะตอนที่ดินเ็มนง่วงโอเคเดินแล้วเดินแบบั้ก็ยังง่วงอยู่ใช่ง่วงค่ะอค อนนั้นที่เธออยนแสดงว่าแกงห่วงะไหมแกง่วงค่ะแต่ก็กายเป็นน้ำดีทดแทนค่ะของม่วงเลยหายไปเลยค่ะตัวช่วยน้ดีเนี่เป็นพึ่งก็อันนั้นคือเราต้องหาวิธีแก้นยบางถ้าหาวิธีแก้กจุดนี้ของ่วงหายไปปิดทิ้งเลยนะแต่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทนอีเรียกว่า แค่ท่านหน่มันเกิดท่านหนเข้ามาอย่างแบบว่าประชิดตัวเข้าไปถึงเนื้อถึงตัวเข้าเป็นดกตาเอ้องวิ่งเวลาโอขนนั้นเลยหอค่ะเพราะมัมาช่วยเราไม่ให้ห่วงอูมั้งทีนี่เราจะไปลักหน้าพราะความ่วงเลยไปลักหน้าพระมวิเข้าตาก็ได้พลแบบก็รู้สึกว่าวันนี้มันก็เวลาปฏิบัติก็ค่อยต่อเนื่องเนาะ แบบวไปนึกมานนีเมื่อแดดมันขายช่วงไปก็ยังไม่ได้อารมณ์นะวันนี้นะแต่พูดนี้ต้องแก้ตัวใหม่หมพูดแล้วต้องใจทางใจกนี้หน่อยเนาะันนี้ไม่ไม่ได้อารมณแค่สองคนตรงนั้นได้อารมณ์มแมหนูก็รู้สึกว่ามันนานมาก่ะเดินสามคนก็้จะได้เราที่อยู่เด็กแจมก็วนี้ต้องปับให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะะ แบบคุณต่องนี้ต้องพยายามทำต่อเนื่ อ, ใองให้มากกว่านี้คนระับวันหนึ่งถ้าสมมติว่ามันอารมณ์กรรมฐานให้ต่อเนื่องนี่นะขัดทุนนะให้ต่อเนื่องสักชุดก่อ น, ก, อนก่อนที่ไปทาอะไรนะแลวแวบไปแวบทำแวบไปแว บ, แวบทาทีมันมาขัดช่วงต่อเนื่องแต่ว่าสมมติว่าเราจะมีงานเราทำต่อยตอนเช้าน่พยายามทีทำให้ต่อเนื่องได้สักสองชั่วโมง สามชั่วโมงเล่รู้ว่าในช่วงเช้านี้เรามีงานเยอะทำไปแล้วตรงบ่ายนี้เรแก้คืนใหม่เราทำให้จอวเนื่องสักสอชั่วโมงลักษณะนี้ก็วันนั้นถึงจะมีงานทําแต่อารมก็ไม่เสียพราะมีช่วงตรอจนี่เป็นช่วงนี้ที่เราแก้คืนได้แต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะไปตามลูกติดพันธนะเสร็จเลยวันนั้นนะวันเราไม่ได้เลยเพราะนั้นเรารู้ว่ามันมีลูกตรวพันลูกชาติบ่ายเราแก้คืนไม่ได้นะต้องทําต่อรวนเลย เรารู้ว่าตอนบ่ายนี้ต้องจะมีงานต้องทำตอเช้าขอขออะไรๆแต่ดูว่าเออวันนั้นมีงานทั้งเช้าทั้งบ่ายเป็นไงขอตอวเย็นนี้เลิกันนะเนี่ต้องคืนได้แล้วนะไม่งั้นขาดทุนนะวันนี้าให้ม่มีอารมณ์ให้พูดยากเนี่ยทำธรรมทัศน์นัให้มีการยหนทำให้เนึ่งเนื่องจะสามารมในในในในไอ อัจริยสถานพาสถาพระธาตเตอัจรายุปติจิตามันมีคำว่าคนมีศีมีความเรื่มใสและภาษาธรรมธรรมทรัศนะมีสีมีความเรื่มใสและมีการมนธรรมเนื่งเนื่องคุณหมายถวันวันหนึ่งให้มันเห็นธรรมหลายๆครั้งเขาว่าเห็นธรรมเพื่อได้อารุต่อเนื่อง วันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่มีพลังช่วงเช้าเราก็ได้อารมณ์ช่วงบ่ายเราก็ได้อารมณ์มันแสดงว่าเราปยาญาการเป็นธรรมนื่ๆมันทาให้จิตเราใสองเยพอจิตเราใสมันก็ทาให้สมบุกงาปัญญาเกิดงาอารมณ์เราก็หนักแน่นได้แข็งทืมื่ก็ลดต้วไม้ต้นเช้าไม่ได้ลดลดเย็นตอเย็นไม่ได้ลดลจนเาอยเงา้ยในช่วงที่ต้นมาถุกรดน้ำก็จะชื้นอยู่ันมันก็อยู่แตย่อใรากแล้วเติบโต ก็เหมือนกันดังนั้นวันนี้นก็คิดว่าได้นสะักเรซก็ไม่ได้อดุลกัสอง ส, องสองคนเท่านั้นได้อารลกันะคน้คนไหนคิดเลยไม่ได้แก้พูดงแย่ตัวหคิดว่ารนได้ค่ะได้คิดว่านยเรื่องังายวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เปไนนะ็อ่าพยายามพยายาม้ได้ก็ เขาจาได้อารมณ์ที่ก็ไม่ยากทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามรักษาการสังเกตตัวให้มั น, มนชัดเจนไปส้สุดตัดแกแสงขางที่อกไปดยบอกเพ่จะันก็จะได้อารมณ์ให้ขึ้นไนงะเพราะฉะนั้นในช่วงเยงน็นก็คิดว่าน่าจะเก็บเวลานะมมีอะไรแขาง น, นนะ